ตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นสถูปริทิพานของพระบรมศาสดานะเอายอมประนมมือขึ้นไว้ยอมมาเรียมาวางไว้นี้เลยมาเอาบูชาอ่าอ่าเอาทางไว้นี่ใส่ชุดใส่ชุดบูชาพระธรรมบูชาพระเจ้า บูชาพระสงฆ์เลยนี่นะอาบูช า, ชาน่อนอ้าวหาอะไรปูอ้าวยอมปนมมือเข้าไว้นีปนมมือไว้เอาได้นะญาติโยมทั้งหลายน ะ, ะเราได้เดินทางรอนแลมกันมา บัดนี้นีบัดนี้ได้ถึงสถานที่ที่เราตั้งใจกันไว้แล้วคือสถานที่เสด็จดับขันธปรินิพานของพระบรมศาสดาตอนนี้สถานที่หน้าที่ตรงนี้นี่แหละเป็นที่ที่พระบรมศาสดาได้ทิ้งขันธภาละจบวัตฏทุกเราท่านทั้งหลายนะ มาในสถานที่ตรงนี้แล้วก็มณสิการนอบน้อมพระบรมศาสดาอย่างมั่นคงว่าเรานำสักการะมาบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันนี้ถ้าเรามองที่สักการะที่เราจะบูชาสถานที่ปรินิพานตรงนี้เ้าเรียกว่าเป็นสถูปปรินิพานของพระบรมศาสดานะ พระบรมศาสดาเนี่ยสร้างบารมีมาอย่างลาวไกลที่เราเจริญเราสวดเราสายายเราเดินตามรอยบาทภพระศาสดากันมาอย่างยาวไกลใช่ไหมมาเราก็ต้องการที่จะมาเฝ้าพระศาสดาบัดนี้เราไปสถานที่พระบรมศาสดาทรงจำพรรษา ครั้งแรกเราก็ไปมาแล้วเราไปที่คิดชะกูดเวรุวันเราก็ไปกันมาแล้วไปที่ปริณิพานของแล้วก็ไปที่ตัสตุรุนุตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วตอนนี้เราก็มาสถานที่ปริณิพานของพระผู้มีพระภาคเจ้าเราท่านทั้งหลาย ก็จงมานสสการให้ดีว่านี่นะบริเวณตรงนี้พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงเสด็จดับขันธปรินิพานก่อนที่พระบรมศาสดาจากมาทิ้งขันธพาละหน้าที่ตรงนี้นั้นน่พระบรมศาสดานั้นได้ถูกมานทูนราธนา ตอนนั้นน่ะพระบรมศาสดาบอกนิมิตหมายให้กับท่านพระ อ, อนนท์ว่าจะให้พระ อ, อนนท์นั้นน่ะอาราธนาเพื่อให้อยู่ต่อแต่ว่าพระ อ, อนนท์นั้นก็ไม่สามารถคิดออกหรือคิดได้เพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะทรงทำนิมิตหยาบทำโอภาสหยาบอย่างนี้แล้วท่านพระ อ, อนนท์ก็ไม่รู้ไม่อาจจะกราบทูลอาราธนาพระบรมศาสดาได้ว่า ขอพระพุทธเจ้าจงดำรงอยู่ตลอดกับเธอเพื่อประโยชน์เกี่การเกื้อกูลเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายคล้ายกับว่าท่านมิ จ, จิตถูกมารสิงไว้แม้พระพุทธเจ้าจะตรัสเรื่องความรื่นลมและการเจริญอิธิบาร ท, ทำทั้ง4ประการถึงสครั้งก็ตามรำดับนั้นพระพุธมีภาพเจ้าก็ตรัสกับผ้านอนว่าเธอจงไปบัดนี้เธอจงสาคัญการอันควรเถิ พระนรนถูกพระบรมศาสดาพระดารัสอย่างนั้นแล้วก็ถวายบังคมลาไปที่โคนต้นไม้ต้นหนึ่งไม่ไกลจากที่นั่นนักครั้งนั้นเมื่อพระนรนหลีกไปแล้วไม่นานมารก็ผู้มีบาปก็เข้าไปเฝ้าพระบรมศาสดาก็ทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงปรินิพานนะับบัดนี้เถิด บัดนี้เป็นเวลาปรินิพานของพระบรมศาสดาแล้วพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนมานผู้มีบาปถ้าภิกษุภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกาผู้เป็นสาวกสาวิกาของเราจากยังไม่ฉลาดไม่รับการแนะนำยังไม่แกล้วกล้าไม่เป็นประหูสูรไม่ทรงธรรมไม่ปฏิบททัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมไม่ปฏิบัติชอบไม่ประพฤติธรรม เรียนกับอาจารย์ของตนจากบอกจากแสดงบัญญัติแต่งตั้งจากเปิดเผยจากจำแนกจากทำเมตื่นจากแสดงธรรมมีปฏิหารทั้งอิทธิปฏิหารอาเทศนาปฏิหารและอนุสาสนีปฏิหารยังไม่คมขี่ประประวาทที่เกิดขึ้นให้เรียบร้อยโดยสหธรรมไม่ได้เพียงใดดูก่อนมานผู้มีบาปเราจักไม่ปรินิพานเพียงนั้นก็แปลว่าอะไร บัดนี้มารก็บอกว่าภิกษุภิกษุณีอยบาสกบาสิกาเป็นสาวกผู้เป็นสาวกเป็นสาวิกาของพระบรมศาสดานั้นเน่ยเป็นผู้ฉลาดแล้วได้รับการแนะนําดีแล้วเป็นผู้แกล้งกล้าแล้วเป็นพระหูสูตรแล้วทรงธรรมทรงวินัยแล้วว่างั้นนะปฏิบัติสมควรแก่ธรรมแล้วเนี่ยจะเปิดเผยแต่งตั้งจำแนกทําให้ตื้นจกแสดงธรรมมีปฏิหารสามประการปรับ รัประปวาท่าที่เกิดขึ้นให้เรียบร้อยโดยสาดธ ร, รมได้แล้วขอพระบรมศาสดาจงปรินิพธานบัดนี้เถิดบัดนี้เป็นเวลาปณิธานของพระบรมศาสดาแล้วสรุปประมาณทูลบอกว่าตอนเนี้ยภิกษุก็เข้มแข็งแล้วภิกษุณีก็เข้มแข็งแล้วอุบาสกและอุบาสิกาของพระบรมศาสดานั้นก็เป็นผู้ที่เข้าใจในปริยัติศาสนาปฏิปติศาสนาและก็เข้าถึงปฏิเวทศาสน า, าได้อย่าง หมดจดแล้วพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนมานผู้มีบาปพรหมจันทร์นี้ของเราจักยังไม่สมบูรณ์ยังไม่แพร่หลายกว้างขวางชนรู้กันโดยมากเป็นปึกแผ่นคำว่าพรหมจันทร์ในที่นั้นเป็นชื่อของาศาสนาพรหมจันทร์นะและก็เป็นชื่อของศิกขาสามและก็เป็นชื่อของมรรคพรหมจันทร์คือการบริบูรณ์ด้วยโสดาปริมักสกาธาคามิมัคอนาคามิมักและอาหตมักบริบูรณ์แล้วนะ ตราบเท่าที่พวกเทวดาและมนุษย์ประกาศได้ดีแล้วก็แปลว่าพระบรมศาสดาบอกว่าถ้าศาสนาของเราหมายความว่าตั้งมั่นในภิกษุตั้งมั่นในภิกษุนี้ตั้งไม น, นั้นมั่นในวาสศกและาสิกาตั้งมั่นในเทวบริษัทพระมบริษัทได้แล้วแล้วก็บริษัทของเราถาคตสามารถแสดงเปิดเผยแต่งตั้งทําให้ตื้นทําให้ง่ายได้ ส า, า peso, it. It สามารถจะจุดเทียนกล่าวคือศาสนาก่าวคือศีลสมาธิปัญญาให้สว่างรุ่งโรจน์ในกระแสใจได้เพียงใดแล้วตถาคตจึงจักปรินิพานนียืนยันกับมานอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อให้มันน่ยได้รู้ว่าถ้าศาสนาของตถาคตเจริญรุ่งเรืองแล้วตถาคตถึงจักปรินิพานยืนยันว่ายังจักไม่ปรินิพานนั่นเองทําไมพระองค์ต้องยืนยันขนาดนั้น เหตุผลที่ทรงยืนยันขนาดนั้นก็เพราะว่าพระบรมศาสดามีพระมหากรุณาธิคุณต่อพวกเราปรารถนาให้พวกเราเนี่ยได้เข้มแข็งได้ตั้งมั่นได้จุดศาสนาในกระแสชีวิตนี้ติดก่อนถ้าหากบริษัทของท่านกล่าวคือไม่ภิกษุณีภิกษุ ภิกษุภิกษุนีอบาศกและบาสิกาเนี่ยนะยังไม่สามารถจุดพระศาสนากล่าวคือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยประชุมในจิตใจได้อย่างสว่างเจิดจ้าประดุดดังดวงประทีปแล้วตถาคตจักไม่ปรินิพานคือเพรา ะ, พระศาสดายืนยันกับมาอย่างนั้น3ครั้งนะว่ายังจะไม่ปรินิพานบอกว่าตถาคตยังจะไม่ปรินิพานเพราะ บริษัทของถตาคตเข้มแข็งเมื่อไหร่ถึงจักปริณิพานมารก็ไม่ละความเพียรพยายามมารก็ทูลสามครั้งเหมือนกันบอกว่าพระองค์ตรัสว่าดูก่อนมารพรหมจารย์ของเรานี้จักยังไม่สมบูรณ์แพร่หลายกว้างขวางชนรู้กันโดยมากเป็นปึกแผ่นตราบเท่าที่เทวดาและมนุษย์ประกาศได้ดีแล้วเพียงใดเราจากไม่ปริณิพานเพียงนั้นนี่นะ กบัดนี้ศาสนาพรหมจาร์คือคำสอนของพระ อ, องค์ของพระเจ้านี่นะสมบูรณ์แล้วมรรคพรหมจาร์ของพระ อ, องค์ที่เป็นไปในภิกษุภิกษุณีบาศกและอุบาศิกาก็บริบูรณ์แล้วมนุษย์และเทวดาที่เป็นบริสัท์บริวารของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ประกาศได้ดีแล้ว ขอให้พระบรมศาสดาจงปรินิพานณับบัดนี้เถิดอย่าอยู่เลยเนี่ยนะบัดนี้เป็นเวลาการปรินิพานของพระบรมศาสดาแล้วตรงนี้ก็หมายความบอกว่าทำไมท่านพระนอนนท์จึงไม่อาราธนาปุทุชนคนใดเนี่ยถูกมานยึดจิตครอบงามจิต ไม่พึงอาจจะรู้แจ้งแทงตลอดได้ชั้นใดท่านพระนนท์ก็ไม่อาจจะรู้แจ้งแทงตลอดได้ฉันนั้นเหมือนกันความจริงเนี่ยนะมารย่อมยึดจิตของผู้ที่ยังมีวิปลาสสคนที่ยังมีนิจจาวิปลาสคือเห็นคาดเคลื่อนว่าเที่ยงยังมีสุขะวิปลาสยังเห็นคาดเคลื่อนว่าสังขารมันเป็นสุขยังเห็นจิตตาวิปลาสเนี่ยนะ เห็นว่าจิตนี่ที่ยงเป็นต้นเราเนี่ยนะหรือยังไปเห็นว่าอัตตะวิปราชเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนเห็นว่าสุภาวิปราชเห็นว่าสวยงามอยู่เนี่ยพระเถระเป็นพระโสดาบันก็ยังมีวิปราชสีประการยังละไม่ได้ทั้งหมดด้วยเหตุนั้นน่มานจึงยึดครองจิตของพระเถระไว้ก็ถามว่ามานนั้นนะนะ เมื่อจะยึดจิตเนี่ยเขาทําอย่างไรก็ต้องตอบบอกว่ามารแสดงอารมณ์ก็คือรูปหรือได้ยินเสียงที่น่ากลัวต่อจากนั้นเหล่าสัตว์ที่เห็นรูปหรือได้ยินเสียงนั้นเหล่านั้นแล้วก็ลาสติตกใจนั่นเองก็อ้าปากมารก็สอดมือเข้าไปทางปากของสัตว์นั้นแล้วก็บีบหัวใจเหล่าสัตว์นั้นก็สลบแต่พระเถระนั้นอ่ะมารไม่อาจจะสอดมือเข้าไปทางปากพระเถระได้ พระพระเถละนั้นเป็นพระโสดาบันได้แก่แสดงอารมณ์ที่น่ากลัวพระเถละถูกมาโดนใจก็ไม่รู้นิมิตที่พระองค์แสดงนั้นรำทีนี้ถ้ามองอย่างนี้จะเห็นว่าตอนที่พระบรมศาสด า, สดาทรงแสดงนิมิตโอภาสอย่างหยาบให้ปรากฏบอกว่าพระองค์นั้นสามารถที่จะยังดำรงพระชนอยู่ได้อีกกลับหนึ่งแต่ท่านพระเถละคือพระนนนั้นก็ไม่ได้ทูลรัตนาเขาไว้ พราะตอนนั้นเน่ยพญามานั้นแสดงนิมิต ท, ที่น่ากลัวให้ปรากฏแก่ผ้านอนผ้านอนก็เลยจิตหลุดจากสติในขณะนั้นก็เลยมณสิการไม่ได้ท่องแท้พระศาสดาแ ส, สดงนิมิตโอภาษอย่างนั้นเน่ยสครั้งนี่นะบอกเหตุหนึ่งนั้นน่ยสองครั้ง3าครั้งผ้านอนก็ระลึกไม่ได้พระศาสดาก็เลยขับหมายความว่าให้ผ้านอนนั้นออกไป ถ้าอรหนนั้นก็ออกไปอยู่ที่ต้นไม้ที่ไม่ไกลสักเท่าใดขณะนั้นนั่นเองมารก็ปรากฏต่อหน้าพระพักของพระศาสดาก็มาทวงเลยบอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบัดนี้เป็นเวลาในการปรินิพานของพระบรมศาสดาแล้วตอนนี้ภิกษุภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกาของพระศาสดาก็ตั้งมั่นสามารถดําเนินตามศิกขาสามคือศีลสมาธิปัญญา แล้วก็เข้าถึงปริยัติศาสนาปฏิศาสนาแล้วก็เข้าถึงแทงตลอดปฏิเวทศ า, าสนาแล้วแล้วสามารถแสดงแต่งตั้งเปิดเผยประกาศพรหมจรรย์ทั้งศาสนาพรหมจรรย์แล้วก็ทำมรรมพรหมจรรย์ให้บริบูรณ์เป็นส่วนใหญ่แล้วศาสนานั้นจุดติดในกระแสของภิกษุภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกาแล้วเป็นการเหมาะสมแล้วที่พระบรมศาสดาจากปรินิพานนี่นะ พระศาสดาก็ยืนยันแต่มารก็ไม่ละความพยายามมารเพราะประกอบสัตว์ไว้ให้พินาศทำให้ตายจริงอยู่มา น, นั้นท่านเรียกว่ามารเพราะประกอบด้วยบา ป, ประธรรมทั้งหลายนแม้คำว่ากันหะแม้ว่าคำว่าอันตะกะนามูจิปมัทถพันธุก็เป็นชื่อของมารเหมือนกันมารติดตามมาที่โพธิมณฑลตั้งแต่สั ป, ปดาห์ที่8ด ในวันที่พระบรมศาสดาบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณในที่เราไปที่ต้นพระศีมหาโพธิ์ตอนนั้นพระศาสดาตัสรู้ใหม่ๆมารก็เข้าไปแล้วก็อาราธนาให้พระศาสดาปริณิพานในวันนั้นพระศาสดาก็ยืนยันว่าถ้าบริษัทสี่ของตถาคตยังไม่เข้มแข็งไม่อาจฐานไม่สามารถแสดงแต่งตั้งเปิดเผย เ, เป็นต้นได้เพียงใด ไม่สามารถทําศาสนาให้สว่างรุ่งเรืองประดุดดวงประทีปได้เพียงใดตถาคตจักไม่ปรินิพานเพราะบรมศาสดาบำเพ็ญบารมีมาโดยลําดับแล้วทรงแทงตลอดสัมมาสัมพดิญาณพระองค์ตรวจดูโลกไปทําไมก็ทูลวอนบอกว่าขอให้พระเจ้าเนี่ยโปรดปรินิพานเจ้าเถอดก็พระองค์ปรินิพานพระองค์สร้างบารมีสิบอุปปา ร, รมีสิปรมาภบารมีสิบมาเนี่ย ก็บรรลุเป้าหมายแล้วนี่ได้บรรลุแล้วพ้นจากชาติทุกข์พ้นจากชะาทุกข์พยาธิทุกข์มรณะทุกข์พ้นจากความโศกความร่ำไรลำพันธ์ไม่สบายกายไม่สบายใจความคับแค้นใจแล้วพระ อ, องค์จะมาลำบากพออระวรกายในการปักโปรดสัตว์อยู่ทำไมโปรดไปสัตว์ก็มืดบอดไม่ได้เห็นทำอะไรมากมายใดๆดรอกจะทำให้ลาบากทาไมรีบปรินิพานเถิเถอเห็นไหม มารก็พยายามที่จะทูลอ้อนวอนให้พระปรมศา ส, สดา น, นั้นปรินิพานพระพุทธเจ้าก็บอกว่าปฏิเสธแก่มารตอนนั้นว่าเราจะไม่ปรินิพานก่อนนะตราบใดบริษัทของตถาคตยังไม่เข้มแข็งในชั้นคำสอนภิกษุทั้งหลายทูลแนะ น, นำให้ตั้งอยู่ในสัมมามารมานั่นเองก็คือฉลาดในมาร เป็นพระหูสูตรก็หมายความว่าเป็นผู้ทรงสุดตามากโดยพระไตรปิฎกชื่อว่าธรรมทานก็ทรงพระธรรมหรือเป็นพระหูสูตรโดยปริยัตหนึ่งเป็นพระหูสูตรโดยปฏิเวทะหนึ่งก็หมายความว่าทรงทำคำทรงจําคําสอนจําพระพุทธวจนะได้และจําคําสอนได้แล้วก็สามารถแทงตลอดมรรคผลได้เข้าถึงพระนิพพานได้จึงชื่อว่าธรรมทานผู้ทรงธรรมทรงปริยัติและปฏิเวทะนั่นเอง ส่วนคําว่าธรร ม, มานุธรร ม, มปฏิปันาก็คือปฏิบัติวิปัสนาพร้อมควรแก่อริยมะอริยธรรมก็หมายความว่าประพฤติธรรมตามสมควรแก่ธรรมก็คือว่าปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาที่สอดคล้องแก่การที่จะบรรลุอริยธรรมคืออริยศีลอริยสมาธิอริยปัญญาแล้วก็อริยวิมุตต์ทั้งหลายเป็นต้นสัปปะติหาริยังก็แปลว่าจักแสดงธรรมที่สามารถนําสัตว์ออกจากวัฏจทุกข์ได้ พระศาสดาก็ยืนยันว่าถ้าหากสาวกของเราในส่วนทั้งภิกษุทั้งภิกษุณีทั้งอุบาสกและบาสิกานี่นะสามารถแสดงธรรมที่ประดอกประกอบด้วยปฏิหารทั้งอิทธิปฏิหารทั้งอเทศนาปฏิหารทั้งอนุสาสนีปฏิหารซึ่งเป็นคําสอนที่อัศจรรย์นำสัตว์ออกจากวัฏทุกข์ได้แต่ถาคตดึงจะปรินิพานส่วนว่าพรหมจริยังนั้นก็ได้แก่ศาสนพรหมจันทร์ ทั้งสิ้นอันสงเคราะห์ในสิกขาสามคือศีลสมาธิปัญญาพระหูชันพระหูชันยังก็ได้แก่แก่ชนเป็นอันมากรู้แจ้งแทงตลอดโดยตัดสรุ้ตามหมาชนเหล่านั้นตัดสรุ้ตามพระธรรมคำสอนของพระศาสดานั่นเองพระศาสด์ก็ยืนยันว่าเทวดาและมนุษย์ประกาศได้ดีแล้วเทวดามนุษย์ผู้เป็นวินยูชน รู้ประมาณเพียงไรเทวดามนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นก็ประกาศไว้ดีแล้วนั่นเองก็ยืนยนันแต่มารก็เมละความพยายามพอทูลนราตนาถึงสครั้งเมื่อมารกราบทูลอย่างนี้แล้วพระศาสดาก็ตรัสแก่มารผู้มีบาว่าดูก่อมารผู้มีบาผู้เป็นเผ่าพันธ์ของคนประมาทท่านจงเป็นผู้ขวนขวายน้อยเถิดไม่ช้าแต่ถาคตจากปรินิพานจากนี้ล่วงไปสมเดือน รับอาณาธนาทันทีเลยบอกว่าต่อจากนี้ไปสมเดือนจะถาคตจากปริญนิพานพระบรมศาสด า, สดาทรงมีภระสติสัมปชัญญะปรองพชน์มายุสังขารแล้วณนะปาวาและเจดีนั้นพอพระศาสดาปรองคำว่าปรงก็แปลว่าละละก็แปลว่าจากสเดือนจากประมาปริญนิพานในที่ตรงนี้นี่แหละแผ่นดินใหญ่หน่าสะพึงกลัวขนพองสยองกล้าว กรองทิพย์บรลือลั่นทรงทราบความนั้นแล้วเนะเปร่งอุทานบอกว่าพระมุนีได้ปรงเสียแล้วซึ่งกรรมอันชั่วและกรรมอันไม่ชั่วได้อันเป็นเหตุให้เกิดปรุงแต่งพบก็แปลว่าพระบรมศาสดานั้นปรองปุญญาภิสังขารปุญญาพิสังขารแปลว่าเจตนากรรมที่เป็นบุญและเจตนากรรมที่เป็นบาปที่ปรุงแต่งทำให้เกิดรู ป, ปขันเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณ ที่ทำให้เกิดการมาพบรูปพบและรูป พ, พบยินดีในภายในตั้งมั่นได้ทำลายกิเลส ท, ที่เกิดขึ้นในตนเสียเหมือนทำลายเกราะแล้วฉะนั้นขณะนั้นนั่นเองพระ อ, อนอนต์ก็คิดว่าหน้าอาศารรัศ จ, จ, จริงเนอะเนี่ยสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นมาแผ่นดินใหญ่นี้หนา 84,000 สี่ันะ 80, 000, 000ยอดเนี่ยไหวแล้วเนอะหน้ากลัวขนพองสยองกล้าแม้กองทิพย์ บนฟ้าก็บันลือลั่นอะไรหนอเป็นเหตุอะไรหนอเป็นปัจจัยก็เข้ารีบเข้าไปกราบทูลพระบรมศ า, ศาสดาตรัสบอกว่าอะไรเป็นเหตุแห่งแผ่นดินไหวพระศ า, ศาสดาก็ตรัสวักว่าแผ่นดินใหญ่ที่ตั้งอยู่บนน้ําน้ําตั้งอยู่บนลมลมตั้งอยู่บนอากาศสมัยที่ลมใหญ่พัดทําน้ําให้ไหวพอน้ําไหวแผ่นดินก็ไหวเนี่ยนะ ภาศาสดาก็คือเหตุแรกของแผ่นดินไหวเหตุประการที่2คือสมณพราหม์ผู้มีฤทธิ์ผู้มีความชํานาญทางจิตหรือเทวดาผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากเขาเข้าปฐวีสัญญาปฐวีกสินเล็กน้อยเข้าเล็กน้อยนะเจริญอาโปธาตนมากก็ทําให้ดินเนะี่ยมีปริมาณน้อยอาโปธาต์มีปริมาณมากก็ทําแผ่นดินให้ไหวสั่นสะเทือนได้ประการที่สาม แผ่นดินไหวก็เพราะว่าพระโพธิสัตว์นั้นเคลื่อนคือจุติจากดุสิตด้วยสติสัมปชัญญะ9้าสู่ขันของพระมารดางในวันที่9้าสู่ขันพระมารดาเนี่นเองแผ่นดินก็ไหวเมื่อพระโพธิสัตว์มีสติสัมปชัญญะประสูติจากพระคันมาของพระมารดาที่กบิลลพัฒน์นั่นแหละที่เราจะไปกันที่สาละวันที่สวนลุมพินีวันไอ้นั่นก็แผ่นดินก็จะไหว หรือเมื่อพระตถาคตตรัสรู้นุตตะสัมมาสัมพธิยานที่บริเวณโพธิมณฑลทน่านผนดินก็ไหวหรือเมื่อพระตถาคตแสดงพัฒธรรมจักรอันยอดเยี่ยมไม่ให้ดำเนินไปณป่ายีิปตนามิกรทายวันที่วรนสีผนดินก็ไหวประการที่7หรือเมื่อพระตถาคตมีสติสัมปชัญญะที่บริบูรณ ปรงพระชนมาายุสังขารว่าจะปรินิพานแม้แผ่นดินก็ไหวประการที่8พระศาสดาก็ตรัสว่าเมื่อพระตถาคตเจ้าปรินิพานด้วยอนุปาทิเสสานิพานธาตุคือดับขันทัปปรินิพานแผ่นดินก็ไหวเมื่อพระผู้มียพระเจ้าตรัสว่าดูก่อนมานผู้มีบาปตั้งแต่สั ป, ปดาห์ที่เจ็จะเที่ยวไปตรงเนี้ย พอตรัสเหตุอย่างนี้เบ็ดเสร็จท่านพระนนก็ตกใจเลยนะก็บอกบอกว่าก็เลยรีบทูลบอกว่าขอให้พระบรมศาสดาขอให้พระบรมศาสดาเนี่ยให้อยู่ก็หมายความบอกว่าอย่าด่วนปรินิพพานเลยอาราธนานั้นสครั้งพระศาสดาก็ยับยั้งสามครั้งเมื่อยับยั้งสามครั้งพระศาสดาก็บอกว่า ตัก่อนอานนท์เนี่ยนะทั้งหมดนี้เป็นความผิดของเธอแต่ผูดเดียวนะบอกว่าถ้าหากว่าขอพระองค์ครับกรณีถ้าหากว่าพออาระอนนท์มาทูลนาลาตนาก่อนหน้านั้นก่อนหน้าที่จะมาจะมาเนี่ยพระศาสดาจะคัดค้านสองครั้งนะและครั้งที่สาพระศาสดาก็จะ รับอาราธนาฉะนั้นในครั้งนี้ที่พระอนุนไม่อาราธนานั้นเป็นความผิดของพระอนุนเนี่ยในลักษณะอย่างนี้พระบรมศาสดาก็ตรัสบอกว่าเป็นความผิดของพระอนุนคาว่าเป็นความผิดของพระอนุนในที่นั้นน่ยจริงๆและเป็นความผิดของพวกเราทั้งหมดเนี่ยนะ <c oughs> เป็นความผิดของบริษัททั้งหลายที่ในยุคก่อนทั้งหมดนั่นเอง จ ร, จริงตรงนี้แล้วภาษาสดาก็มาบอกบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะภาษาสดาได้แสดงธรรมดังได้กล่าวไว้แล้วว่าแสดงธรรมนั้นน่ยว่าพระธรรมวินัยที่พระตถาคตแสดงแล้วบัญญัติแล้วเนี่ยนะเปิดเผยแต่งตั้งแล้วเป็นต้นเหล่านี้ทําให้ตื้นแล้วเนี่ยภาษาสดาเนี่ยไม่ได้มีนอกหรือมีในทั้งหลายอย่างนี้เป็นต้นแล้วภาษาสดาก็ตรัสเกี่ยวในเรื่องของว่า พระ อ, องค์ก็แสดงบริษัทแปประการแก่พระอานุนก็เล่าว่าพระ อ, องค์เคยเข้าไปหาขติยาบริษัทพรามณาบริษัทกหาบรีบริษัทสมนาบริษัทจารตมหาราชิกาบริษัทดาวเดงสานะพรมบริษัทเคยปราศัยสนทนา ว, วันณะของพวกนั้นเป็นเช่นใดของเราเป็นเช่นใดเป็นต้นเหล่านี้เป็นต้นเป็นไปแล้วผู้นี้ใครหนอเป็นต้นเหล่านี้เพราะพระศาสดาแสดงให้ดูความสําคัญในการที่พระ อ, องค์นั้นเนี่ยเป็นผู้มีฤทธิ์มาก มีอิทธิฤทธิ์ที่มากเป็นต้นแล้วเนี่ยนะตรงนี้ในรายละเอียดตรงนี้เมื่อพระบรมศ า, ศาสดาตรัสสมัยแรกตรัสรู้ก็แสดงให้รู้ว่าเคยทำนิมิตโอภาสหนะ้าที่ไหนบ้างนีนิมิตโอภาสในการที่บอกว่าตรัสรู้ประทับที่อัชชา ป, ปารานิโคดเนะ่ยที่ริมฝั่งแม่น้ําเนรัญชลาตําบลอุรุเวลาประเทศมาที่มีบาปก็เข้าไปกราบทูนในพระบรมศาสดาปริณีพาน แต่พระ อ, องค์ก็มีพระดำดรัสปฏิเสธคำทูล น, นั้นโดยตรัสว่าพุทธบริสุท์สของพระ อ, องค์ยังไม่บริบูรณ์กว้างขวางมั่นคงเป็นปึกแผ่นจักยังไม่ปรินิพานอานอนก็วันเดียววันนี้เดี๋ยวนี้นี่แหละมารผู้มีบาปก็เข้าไปหาเราเนะที่ปาวาและเจดีกราบทูลให้เราปรินิพานเราตถาคตก็ได้กล่าวกับมารบอกว่าท่านจงมีความขวนขวายน้อยเถิดจากนี้ร่วงไปสมเดือนตถาคจักปรินิพาน อาโน์ในวันนี้ตถาคตมีสติสัมปชัญญะปรองพระชนมายุสังขารจะปรินิพานแล้วเมื่อพระองค์ตรัสอย่างนี้ท่านพระอนุนได้กราบทูลว่าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงดํารงอยู่ตลอดกับเพื่อประโยชน์แก่มหาชนเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็ตรัสบอกว่าอย่าเลยอาโน์อย่าวิงวอนตถาคตเลยบัดนี้ไม่ใช่เวลาจะวิงวอนเธอมาช้าไปกว่ามานแต่แล้วนั่นเอง แม้พระนนก็กราบทูลนิงวอนถึงสมครั้งบอกขอให้พระ อ, องค์นะ่อย่าพิ่งปรินิพานเลยเพื่อประโยชน์แก่หมาชนเพื่อประโยชน์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นต้นพระองค์ก็สามครั้งก็ไม่สำเร็จพระ อ, องค์กลับมีรับสั่งถามว่าเธอเชื่อมั่นเธอเชื่อการตัดสรุปตถาคตหรือถามเลยเธอมีตถาคตาโพธิที่ศรัทธาไหมพระนนท์ก็บอกว่าเชื่อ เอาถ้าเธอเชื่อตถาคตาโพธิ์ที่ศัทธาเธอต้องเชื่อสัจจวาจาของตถาคตสิก็ตถาคตล้ำป่าพญามารไปแล้วไงถ้าเชื่อพระต ถ, ถาคตเชื่อพระบรมศาสดาเธอเชื่อกับปัญญาการตรัสรู้ของพุทธเจ้าไหมและพวกเราที่นั่งอยู่นี่เราเชื่อไหมเชื่อพระพุทธเจ้านั้นตรัสคําใดก็คํานั้นเลยนะและจะไม่มีบิดพิ้วยังเด็ดขาดฉะนั้นไม่ใช่เป็นความผิดของท่านนะ พระอนนท์ก็วิงวอนพระศาสดาก็บอกไม่ใช่เวลาที่จะวิงวอนแล้วก็ย้อนถามว่าเธอเชื่อกระาะดาคตว่าจะดำรงอยู่ตลอดกลับจริงเชื่อพระเจ้าค่าข้าพระองค์ได้ฟังมาเฉพาะพระพักของพระบรมศาสดาว่าถ้าผู้ใดกระทำให้มากในอิทธิบาทสี่คือฉันทาวิริยะจิตตาปัญญาสามารถจะอยู่ได้ตลอดกลับหรือเกินกว่ากับ ตลอดกับในยุคนั้นก็คือร0อปีเป็นอายุกับเกินกว่ากับนั้นอาจจะอยู่ถึง120ปี160ปีก็ได้อย่างพระมหากระศกอยู่เกินกว่านั้นก็ได้เพราะแม้แต่ถาคตทานิมิตหยาบเรื่องนี้เป็นความทำไม่ดีเป็นความผิดพลาดของเธอผู้เดียวเพราะแม้แต่ถาคตทานิพิจอันยาบทาโอภาสอันยาบอย่างนี้เธอก็ไม่สามารถจะรู้เท่าทันได้ จึงไม่ได้วิงวอลแต่ถาคตขอให้เราดำรงอยู่ตลอดกับถ้าเธอวิงวอลตถาคตจะห้ามวาจาเธอเพียงสองครั้งเท่านั้นครั้งที่สามแต่ถาคตจักพึงรับเพราะเหตุนั้นอานนท์เวลานี้เป็นการทําไม่ดีเป็นความผิดพลาดของเธอผู้เดียวอานนท์เราได้แสดงนิมิตแก่เธอว่ากรุงรา ช, ชคืรน่าลื่นลม ภูเขาคิดจะกูดก็น่ารื่นลมโคตม่านิโคดก็น่ารื่นลมเขวที่ทิ้งโจมก็น่ารื่นลมถ้ำสตบรรณะคูหาก็น่ารื่นลมข้างภูเขาเวพาตะบันโพตก็น่ารื่นลมการละศิลาก็น่ารื่นลมภูเขาอิสิกิริก็น่ารื่นลมเนื้อชื่อว่าสัปปโสธิกะศีตะวันก็น่ารื่นลมตะโปท้าลามก็น่ารื่นลมแม้เวรุวันกรันตกะนิวาปะสถานก็น่ารื่นลม ชีวะกะอัมภวันก็น่ารื่นลมมัถกุตชีมิกทายวันก็น่ารื่นลมอุเทสเจดี JD ก็น่ารื่นลมโคตมะเจดีก็น่าลุมสัตตมพพะเจดีก็น่ารื่นลมพระหูปุตตะเจดีก็น่ารื่นลมสารันธาเจดีก็น่ารื่นลมอิติบาสีประการคือฉันทาวิริยะจิตตาปัญญาอันผู้ใดเจริญแล้วก็ทําให้มากแล้วผู้นั้นจักจํานงอยู่ก็สามารถจำลองอยู่ได้ตลอดกลับหรือเกินก่็กลับก็ได้ สถาคสามารถจะอยู่ได้1 0 0ปีก็ได้อยู่ได้120ปีก็ได้อยู่ได้160ปีเป็นต้นก็ได้นั้นน่สถานคอสามารถจะอยู่ได้ตลอดกลับหรือยิ่งกว่ากลับแต่อันนี้เป็นการทำไม่ดีของเธอนเป็นการทำไม่ดีของเธอนะว่าผู้ใดจเจริญ ก, กระทำให้มากเป็นต้นเหล่านี้บัดนี้เป็นเวลาไม่ไมควรวิงวอนถึง3ครั้งผู้ใดจเจริญ พระปรมาสศศสดาก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นความทำไม่ดีเป็นความผิดพลาดของเธอผูดเดียวเป็นต้นเหล่านี้เราได้บอกแล้วไม่ใช่หรือความเป็นไปต่างๆอันเป็นความพลัดพลากคือความโศกความร่าไรลาพันไม่สบายกายไม่สบายใจความขับแค้นใจการที่จะต้องพลัดพากจากของรักของชอบใจทั้งหมดนั้นแลมีอยู่นะถ้าตราบใดยังมีกระแสของตาหูจมูกเ่นกายใจ เพราะฉะนั้นจะหาความเที่ยงแท้ได้ในสิ่งและในบุคคลแต่ที่ไหนสิ่งใดมีการเกิดขึ้นมาแล้วเป็นไปแล้วปรุงแต่งแล้วมีการทำลายเป็นธรรมดามีความปรารถนาว่าขอสิ่งนั้นอย่าทำลายไปเลยอย่าแตกดับไปเลยอย่าได้วิบัติไปเลยอย่าได้หายไปเลยขอให้รูปประขันเวทนาขันสัญญาสังขารวิญญาณของพระธรรคตเจ้าอย่าได้แตกดับไปเลยเนี่ย ไม่ใช่ฐานนะพระตถ า, าคตสละแล้วคลายแล้วพระศาสดาพ้นแล้วและพระบรมศาสดาทรงวางขันธภาระแล้วทรงวางรูปขันธเวทนาขันธสัญญาสังขารวิญญาณขันธเพราะขันธห้านั้นเป็นของหนักมากอายุสังขารตถาคตเนปรงแล้ววาจาที่ตถ า, าคตกล่าวไว้แล้วโดยส่วนเดียวก็หมายความว่าตรัสคําใดก็คํานั้นหนึ่งไม่มีสอง พระต ถ, า, ถ า, าคตบอกว่าจาักปรินิพานก็จักมาปรินิพานนที่ตรงนี้ฉะนั้นแต่ตอนนี้ไปสมเดือนตถาคตจักเสด็จดับขันธะปรินิพานที่กุสินาราเนี่ยที่สาราวโนทยานนี้ไม่ช้าตถาคตจักปรินิพานจากนี้ล่วงไป3เดือนตถาคตจักปรินิพานตถาคตจักกลับคืนสิ่งนั้นเพราะเหตุสิ่งเพราะเหตุแห่งชีวิตนั่นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ ตาคตพูดไปแล้วจะกลับคำกลับมายืนยันว่าจะไม่ปฏินิพพานนั้นไม่ใช่ฐานนะที่จะมีได้มาเถิดอานน์เราจะไปยังกูตาคารสาราป่ามหาวันเธอทั้งหลายจงบอกภิกษุที่อาศัยอยู่ในกรุงเวสาลีทั้งหมดมาประชุมกันณนะอุปถานศ า, าราพระนนท์ก็แจ้งเรื่องนั้นให้ภิกษุทั้งหลายทราบแล้วก็มาประชุมพร้อมกันพระศาสดา ก, ก็แสดงธรรมในภาษาการสุดท้ายเกี่ยวในเรื่องของ สติปฐานสมปะปทานอิทิบาทอินทรีย์าพระหโพชงเจ็แล้วก็อาริยมรตมีองค์8เป็นต้นเป็นไปตามลําดับแล้วพระบรมศาสดาก็เสด็จยาลิกมาตามลําดับเป็นไปตามลําดับเลยนะมาจนถึงเป็นไปตามลําดับมาพบปุกุสะมลระบุตรเป็นต้นเหล่านี้นะตอนนั้นปุกุสะมลระบุตรนั้นะเป็นอุบาสกนะเข้าถวายผ้า ดูก่อนปุกุสะสมัยนั้นเราอยู่ในโลงกระเดื่องเป็นต้นพุทธเจ้าปุกุสะไปถามพระบรมศาสดาที่แรกไม่ศรัทธาพระบรมศาสดาพระศาสดาก็เลยแสดงความอัศจรรย์นะว่าพระบรมศาสดาสามารถยับยั้งอยู่ในนิโรธาสมาบัติได้อย่างไรเป็นต้นนะนะลำดับนั้นปุกุสะกุลกรรมระบุเนี่ยนะสั่งบุรุษคนหนึ่งให้ช่วยนําคู่ผ้าเนื้อเกลี้ยงมีสีดังทองสิงคีวันเนี่ยนะ เป็นผ้าทรงต้องตนมาปุกุสะได้ถวายผ้าคู่นั้นกล่าวว่าขอพระบรมศาสดาอาศัยความอนุเคราะห์รับผ้าคู่นี้เถิดตรัสว่าดูก่อนปุกุสะถ้าเช่นนั้นท่านจงให้เราผืนหนึ่งให้ผ้าอนุนคลองอีกผืนหนึ่งปุกุสะมรบุตรก็ได้ถวายผ้าแล้วเมื่อปุกุสะกำมะมรบุตรนี่นะหลีกไปไม่นานผ้านอนได้น้อมผ้าคู่สิงค์ิวันเนื้อเกลี้ยงนั้นน่ะเข้า เข้าสู่พระกายของพระบรมศาสดาผ้าที่น้อมไปย่อมปรากฏดังทานไปที่ปราศจากเปลวเช่นนั้นผ่านนนเห็นดังนั้นก็ได้กราบทูลว่าถึงความอัศจรรย์ของพระเฉวีวันของพระบรมศาสดาเ น, นนะว่างดงามมากงดงามมากประดุดผุดพองดังทานในที่ปราศจากเปลวพระเจ้าตรัสว่าข้อนี้เป็นอย่างนั้นอานนท์ ในการสองการณนะกายของพัตถาคตก็จ ะ, จะผุดพองคือในเวลาราตีที่พัตถาคตตัสรู้นุตระสัมมาสัมโพธิญาณ น, นันะ้นน่ะกายของพระบรมศาสดาก็จะผ่องสายยิ่งนักหรือในเวลาที่พัตถาคตปรินิพานด้วยอนุปาทิเสสนิพานธาตุคือในวันเนี้ยกายของพัตถาคตในปัตถิ ม, มัญาเ่งราตีวันนี้ตถาคตจกปรินิพานในระหว่างไม้สาระทั้งคู่ ในสารวันแห่งมรรกษัตรทั้งหลายเนเะมืองกุศินลามาเถิดเราจะไปยังแม่น้ำกบกูธานาทีตอนนี้พระศาสดาจะเดินข้ามแม่น้ำเหมนเะน่เนี่ยจะม า, าที่ตรงนี้เ <c oughs> มื่อพระบรมศาสาศดาภิกษุสงหมู่ใหญ่ไปถึงแล้วและสงแล้วดื่มน้ำแล้วขึ้นแล้วจากไปยังอัมพวันตรัสกับจุนท้าบอกว่าเธอจงช่วยปูผ้าสังฆติพับเป็นสี่ชั้นให้เราเราจานอน พระจุนทาก็ได้ปูแล้วลำดับนั้นทรงสำเร็จศีหาสายญาตเบื้องขวาซ้อนพระบาทด้วยพระบาทมีพระสติสัมปชัญญะมนัิการอุทานสัญญากำหนดเวลาตื่นบันทมส่วนพระจุนทาก็นั่งเฝ้าอยู่เบื้องพระพักตรงนั้นพระต่อมาเนี่ยพระบรมศาสดาก็เสด็จไปบ้านของนายจุนทากำมาละบุตรก่อนที่จะมาถึงหน้าที่ตรงนี้ ครั้งนั้นพระบรมศาสดาก็รับสั่งกับพระนนว่าดูก่อนอนะนนบางทีจะทําความร้อนใจเป็นต้นให้เกิดขึ้นกับนายจุนท้าคือพระบรมศาสดาก็รับสุกรมัถวะจากบ้านของนายจุนท้แล้วก็บอกกับนายจุนท้าบอกว่าอาหารสุกรมัทวะเนี่ยให้อังฆาแต่พระตถาคตอรหันตสามมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เพียงพระองค์ง เ, งเดียวเท่านั้นอาหารนอกนี้เนี่ยให้เอาไปเทรหรือไปฝังหลุมไว้เนี่ยนะนอกจากพระตถาคตอรหันตสามมาสัมพุทธเจ้าแล้วไม่ว่าจะเป็น บุคคลใดก็แล้วแต่ไม่สามารถจะบริโภคอาหารนี้ให้ย่อยได้เพราะอาหารที่นายจุนทะทำในวันนั้นน่ะทั้งเทวดาและพรมทั้งหลายเนี่ยโปรยเอาของเทียมาใส่ไว้เต็มทุกคนก็ปรารถนาจาักถวายข้าวเป็นครั้งสุดท้ายแด่พระบรมศาสดาที่พระองค์จักได้ขันธปรินิพานณนะสถานนี้ก็เหมือนกับตอนที่นางสุชาดาถวายข้าวมาทุกายาตแด่พระบรมศาสดานั่นแหละตอนนั้นก็กลุ่มเทวดา แล้วก็พรมทั้งหลายก็เอาอาหารที่เป็นทิพย์ทั้งหลายมาโรยลงในข้าวมาทุบปายาตให้กับนางสุชาดาแล้วก็ทําบุญถวายพระศ า, ศาสดาเป็นปัจจัยทําให้พระศ า, ศาสดาตัดสรู้สัมมาสัมโพธิญาณแม้อาหารมื้อสุดท้ายที่พระศ า, ศาสดาจัดทรงรับแล้วก็หล่อเลี้ยงกระแสของรูปประกายของพระศ า, ศาสดาก็เหมือนกันตอนนั้นพระวรากายของพระบรมศาสดานั้นสุดหนักนะใช้คําว่าอย่างนั้นเลยทรงอาเจียนมาเป็นพระโลหิตเป็นระยะระยะ เดินทางก็แย่แยอบแยกเต็มทนเนี่ยนะืตอนนั้นเมื่อรับอาหารสุกรมัทวะจากนายจุนท่าเบ็ดเสร็จแล้วก็รับสั่งกับพระอนนท์บอกว่าหลังจากรับอาหารหรือสเสวยสุกรมัทวะจากนายจุนท่าเบ็สเสร็จก็เดินทางจากนั้นมาอาเจียนโรค ก, ก็เริ่มกำเริบขึ้นที่จริงก็คือว่าอาการก็หนักหนักลงเรื่อยเนี่ยเป็นไปตามลำดับพระพุทธเจ้ายก็บอกว่าถ้าวิปปิสารจะเกิดขึ้นกับนายจุนท่าก็ให้ตรัส เพื่อปฏิสานให้แก่บอกบอกว่าอาหารที่มีผลเสมอกันก็คือว่าบิณาบาศเสมอกันอาหารที่ถวายพระเจ้าได้ตัดสรู้สมาสัมโพธิญาณกับอาหารที่ถวายพระเจ้าแล้วได้ปรินิพานเนี่ยมีผลเสมอกันเพราะเป็นปัจจัยทําให้ได้ปรินิพานเหมือนกันและก็เป็นปัจจัยแก่การเข้าสมาบัติอย่างมากมายประการต่อมาก็คือว่าพระรูมาศาสดาทาไมจึงต้องมาปรินิพานณเมืองนี้หนึ่ง เหตุผลก็คือมาโปรดสุภัต t h ปริภาชกสุภัต t h ปริภาชกนี่เป็นปัดฉิมสาวกเป็นสาวกองค์สุดท้ายเห็นไหมคนที่มีศรัทธาเนี่ยขอให้ศรัทธาจริงๆเนี่ยแม้จากอยู่ไกลแสนไกลขนาดไหนพระศ า, าสดาก็ต้องแบกขันธภาละมาจากบ้านของนายจุนทะมาจนถึงหน้าที่ตรงนี้พระบรมศ า, าสดานั้นทรงหยุดพัก25ครั้ง และในครั้งที่25ที่มาปูราชที่ตรงเนี้ในครั้งนั้นพระบระมาศาสดาตรัสกับพระนนว่าเราจะไปฝั่งแม่น้ําหิรัญยวดีเมืองกุสินาราสารวันอันเป็นที่แววพักของมรรกษะท่านพระนนก็ทูลรับแล้วลําดับนั้นพระบระมาศาสดาพระสงฆ์หมู่ใหญ่เสด็จไปใกล้ฝั่งแม่น้ํานั้นแล้วรับสั่งให้พระนนช่วยตั้งเตียงหันศีรษะไปทางทิศอุดรระหว่างไม้สาระคู่คือตรงนี้เลยนี่นะตรงนี้แหละ จากนั้นทรงสําเร็จสีหาสายญาติโดยพระปลื้เบื้องขวาซ้อนพระบาทด้วยพระบาทมีพระสติสัมปชัญญะในสมัยนั้นไม้สาระทั้งคู่ก็ผลิดอกออกบานสะพรั่งนอกฤดูกาล ร, ร่วงโปรยลงมายัางพระสรลักของพระบรมศาสดาเพื่อจะบูชาพระบรมศาสดาดอกมณฑารบอันเป็นของทิพย์ก็ตกมายัางอากาศโปรยปลายลงมายัางพระส리ลัก แม้จุนแห่งจันนั้นเป็นทิพย์ก็ตกลงมาจากอ า, ากาศโปรยปลายลงมายัางพระสรีระของพระองค์ต้นตีทิพย์ก็ประโคมอยู่ในอากาศมีสังขีตะเป็นทิพย์เป็นต้นในอากาศเพื่อบูชาพระแต่ถาคดแล้วถามว่าแต่เมื่อพระบรมศาสดาทำไมมาปริพานในเหตุสาประการดังกล่าวหนึ่งมาปวดสุภทัทาปริภาชกประการที่สก็คือว่าถ้าพระบรมศาสดาเนี่ยมาปฏิพานทีที่ตรงนี้ อุปติเหตุก็เหตุเกิดขึ้นของมหาสุทัศนาสูตรจักมีก็หมายความว่านครเนี้ยในสมัยก่อนที่พระบรมศ า, ศาสดาเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยเคยมาเป็นพระเจ้าจักรพรรดิปกครองอยู่หน้าที่เนี้ยที่ตรงนี้เป็นกุสาวดีนครพระศ า, ศาสดาก็ต้องการจะให้เรื่องมหาสุทัศนะนี่นะสูตรนี่นะปรากฏเกิดขึ้นว่าเป็นสูตรที่พระบรมศาสดาเคยบำเพ็ญบารมี แล้วก็ให้เกิดสังเวคขาว่าอะไรเป็นกุศลที่ควรทําอะไรเป็นอกุศลที่ควรละเนี่ยแล้วพระบรมศาสดามาบําเพ็ญทานบ布拉มีเป็นต้นแล้วก็บําเพ็ญได้ขามาบรมีอย่างไรนะในในเมืองเนี้ยแค่นั้นเมืองนี้ไม่ใช่เป็นเมืองเล็กเมืองดอนอย่างปัจจุบันหรืออย่างสมัยพระเจ้าทรงพระชนอยู่นั่น น, นประการหนึ่งประการอีกประการหนึ่งก็คือว่าถ้าไปป ร, ริญิพานที่อื่นแล้วเนี่ยจะมีการแย่งชิงพระบรมสาลีริยกธาตุ กันแล้วก็จะนองเลือดแม่น้ําจะเป็นสายเลือดแต่ถ้าเมื่อมาปรินิพานที่นี่แล้วเนี่ยพระองค์ก็เห็นว่าโทนพามจะเป็นผู้สามารถระงับศึกสงครามได้แล้วก็จะมีการแบ่งพระบรมศาเรลิกธาตุของพระตถาคตนั้นไปตามเมืองต่างๆพระศาสดาก็จะสามารถได้ไปประทับหน้าที่ต่างๆเป็นต้นได้อั น, นั้นคือเหตุสามประการที่พระบรมศาสดามาปรินิพานาที่ตรงนี้เอาแล้วนะในที่ตรงนี้ก็คือว่าในรายละเอียด ก็จักไม่เล่าในรายละเอียดมากมายนักแต่ต้องการให้เราท่านทั้งหลายได้เข้าใจว่าที่ตรงนี้เป็นที่ปรินิพานของพระบรมศาสดาและก็พระบรมศาสดามาทิ้งขันธภาระหน้าที่ตรงนี้เราท่านทั้งหลายก็มาตระหนักในคุณของพระศาสดาได้ดำดอกไม้ทูบเทียนตลอดถึงผ้าทั้งหลายหลายชุดมากกวันนี้เนะี่ยมาถวายเป็นพุทธบูชากันเราท่านทั้งหลายก็ขอให้น้อมใจในการที่จะบูชาพระ ตถาคตอรหันตสามมาสัมพุทธเจ้าเดี๋ยวใครลองไปดูด้านในนะีว่าเขาว่างหรือยังถ้าว่างเดี๋ยวเราจะได้เข้าไปข้างในกว้างแล้วจ ะ, ะถ้าว่างแล้วเดี๋ยวเราจะช่วยกันถือผ้าแล้วก็จะเดินเข้าไปทางโน้นเนี่ยแล้วก็สวมดมนต์เดินจนก็ปิด